พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ส2องพระสูตรที่22อลักษัตถูปมาสูตรสูตรแสดงข้อเปรียบเทียบด้วยงูพิษพระผู้มีพระภาคประทับนาเชตะวนารามภิกษุชื่ออริตธะผู้สืบสกุลที่เคยข่าแรงมีความเห็นผิดเกิดขึ้นว่าธรรมะที่พระผู้มีพระภาคแสดงว่ามีอันตรายนั้น ไม่เป็นอันตรายแก่ผู้ซองเสพจริงภิกษุทั้งหลายตักเตือนก็ไม่ฟังความทราบถึงพระผู้มีพระภาคส่งเรียกไปชี้แจงก็นั่งนิ่งเก้อเขินถอนใจไม่มีปฏิพัน์จึงตรัสต่อไปถึงบางคนผู้เรียนธรรมะแต่ไม่พิจารณาความหมายของธรรมะเหล่านั้นด้วยปัญญาเมื่อไม่พิจารณาความหมายธรรมะของคนเหล่านั้น ก็ไม่ทนต่อการเพ่งคนเหล่านั้นเรียนธรรมะเพียงเพื่อจะยกโทษผู้อื่นและเพื่อเรื่องวาทะของผู้อื่นจึงไม่ได้รับประโยชน์ของการเรียนธรรมะที่เรียนไม่ดีจึงเป็นไปเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์เปรียบเหมือนคนต้องการงูพิษแต่จับไม่ดีก็อาจถูกงูกัดตายหรือปางตายส่วนคนที่เรียนดี พิจารณาความหมายเป็นต้นก็ได้รับประโยชน์จากการเรียนเหมือนคนต้องการงูพิษจับงูพิษดีก็ไม่ถึงแก่ความตายไม่ได้รับทุกปางตายฉะนั้นตรัสถามที่สำคัญต่อไปว่าเพราะฉะนั้นพึงเข้าใจความหมายแห่งพาษิทธิ์ของเราแล้วทรงจำไว้ถ้าไม่เข้าใจก็พึงไต่ถามเราหรือภิกษุผู้ฉลาด เราแสดงธรรมะมีอุ ป, ปมาด้วยแพเพื่อให้ถอนตัวคือนิสตธาณะไม่ใช่เพื่อให้ยึดถือหรือขาหณนะเปรียบเหมือนคนข้ามฝั่งน้ำด้วยอาศัยแพรเมื่อถึงฝั่งแล้วไม่จำเป็นต้องแบกแพรไปด้วยเมื่อรู้ธรรมะที่เราแสดงเปรียบด้วยแพรก็พึงละแม้ธรรมะจะกล่าวใหญ่ถึงอาธรรมว่าจะไม่ต้องละ ทรงแสดงที่ตั้งแห่งความเห็นหกอย่างคือรูปเวทนาสัญญาสังขารสิ่งที่เห็นที่ฟังที่ทราบที่รู้ที่ค้นหาด้วยใจรวมห้าอย่างที่บุคคลเห็นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเรากับอย่างที่หกยึดถือความเห็นที่ว่าโลกหรืออัตตาเที่ยงว่าเป็นของเราเราเป็นนั่น นั่นเป็นตัวตนของเราอาริยสาวกผู้ได้สดับย่อมเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ของเราเราไม่เปนน็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเมื่อเห็นอย่างนั้นก็ไม่สะดุ้งดิ้นรนในเมื่อสิ่งนั้นไม่มีเมื่อภิกษุรูปหนึ่งปราบทูลถามถึงความสะดุ้งดิ้นรนและความไม่สะดุ้งดิ้นรน ในสิ่งที่ไม่มีทั้งภายนอกทั้งภายในเป็นลำดับจึงตรัสชี้แจงทั้งสี่ประการตรัสแสดงว่าเมื่ อ, อยังหวงแหนยังมีวาทะว่าตัวตนยังอาศัยทิฏฐิที่ผิดก็จะต้องเกิดความโศพ、ความเครื่มครวนทุกกายทุกใจและขับแค้นใจตรัสว่าเมื่อมีตนก็มีการยึดว่า สิ่งที่เนื่องด้วยตนของเรามีอยู่เมื่อมีสิ่งที่เนื่องด้วยตนก็มีการยึดว่าตนของเรามีอยู่เมื่อไม่ได้ตนหรือสิ่งที่เนื่องด้วยตนโดยแท้จริงความเห็นว่าโลกเที่ยงอัตตาเที่ยงจึงเป็นธรรมะของคนพานอันบริบูรณ์ครั้นแล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายให้เห็นด้วยตนเองว่าขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตนไม่ควรยึดถือภริยาสาวกผู้รู้เห็นอย่างนี้ย่อมเบื่อนายคลายกำนัดและหลุดพ้นต่อจากนั้นทรงแสดงข้อเปรียบเทียบภิกษุผู้หลุดพ้นในทํานองผู้ชนะศึกที่ตีเมืองอื่นได้ตรัสว่าพระองค์ทรงบัญญัติทุกข์และความดับทุกข์ทั้งในการก่อนและในปัจจุบันแต่สมณพราหมณ์บางพวก ก็ยังกล่าวหาว่าทรงสอนขาดศูนย์แล้วทรงแสดงต่อไปว่าไม่ทรงอาฆาตหรือเสียใจเพราะมีผู้อื่นด่าไม่ทรงชื่นชมสมนัตเพราะมีผู้อื่นสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วตรัสสอนภิกษุให้ทำเช่นนั้นบ้างกับได้ตรัสสรุปว่าสิ่งที่ไม่ใช่ของท่านจงละซะสิ่งที่ไม่ใช่ของท่าน คือขันห้าความมุ่งหมายคือเพื่อคลายความยึดถือทรงแสดงถึงผู้ปฏิบัติได้ผลในพระธรรมวินัยที่ตรัสไว้ดีแล้วตั้งแต่เป็นพระอรหันต์ลงมาถึงชั้นต่ำสุดคือผู้มีศรัทธามีความรักในพระองค์